เกะตองตอรี mind lifting, mind lifting well ่วัานี moon. ้กัาใจให้ใสิต่งหนึ่งศูนย์สตงหนึ่วันึ่้พันยี1สิ2เอ1ดวันนี้นี่ สเสนป่าชาหรือศิลาอาถันศิลาอาถัาาานค้อนแก่นเมืองดอกคูนเสียงแคนคือถิ่นแดนที่ให้กำเนิดผ ม, ผมคือถิ่นแดนที่ให้กำเนิดผมที่ได้มาัจจรินงนี้มีเรื่องราวหลากหลายที่เร้นลับน่ากลัวออน่าตืน่ <S <S> นเต้นและนำความโศกสลดมาให้ผม โดยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุคำถามก็ยังเป็นคำถามยังหาคำตอบไม่ได้ดังของที่คว่มไม่เห็นข้างในผมยังกินเรื่องราวทั้งหมดมาขอคำตอบขอความเมตตาจากครูไม่ใหญ่ช่วยไขปริศนาแห่งใจเปิดเผยเบื้องลึกสุดลับถึงที่มาที่ไปในเรื่องราวต่างๆผมด้วยนะครับ เัาเรามาเชิเปิดกลา ก, ลากลาันก็แล้วกันเอาของนี่ความให้ง่ายขึ้นนะจ๊ะผมน่ะเคยมาบวชที่วัดธรมกายน่ะเป็นพระเ <c oughs> มื่อเดือนเมษสาสองห้าสามศูนช่วงบวชนั้นน่ะเคยเจอคุณยาาจารย์ท่านทักว่าเป็นผู้ชายที่ดีนะเพราะมีวาสนาได้บวช แปลว่าอะไรแปลว่าคุณยายนี่ไม่ท่านเสียดย้ยแบบไม่น่าเลยครับที่แม่โยเพศนี้ไม่ ง, งั้นท่านก็นได้บวชเพราะนั้นใครได้บวชท่านนึงมักจะพูดอย่างนี้เป็นผู้ชายดีนะเพราะมีวาสนาได้บวชคําพูดนั้นทรงแรงขับให้ผมอยากหลุดพ้นจากความเมงค่าของกิเลสไม่คิดที่จะลาสิาขาครั้นจบการอบรม ตอนนั้นทางวัดยังไม่มีโครงการให้บวชต่อเพราะฉะนั้นใครเนี่ยได้บวชต่อหลังจากที่มีโครงการให้บวชต่อเนี่ยพึงดีใจไหเถอด mm hmm. เพราะยุคนั้นนี่ไม่มีโครงการให้บวชต่อ mm hmm. แต่ว่าผมอยากบวชต่อผมจึงขอลาไปเดินทุ ด, ดง oh. นี่แหละจ้าเห็นไหมเจ้าผู้ ม, มีบา ร, รมีแก่ๆจะอย่างนี้ mm hmm. จดหมายแรกที่ผมมุ่งไปคือถ้ำ mm hmm. สำนักตุเจ้า ตุเจ้าเสือดาวอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบนักปฏิบัติธรรมผู้เรืองนามในถร ม, มการเดินธุดงนั้นนอกจากวัดก็มีเพียงพื้นที่ของคนที่ตายแล้วคือสุาสานป่าเช้าตอนนั้นที่ต้นรับผมเป็นอย่างดีมีต้นไม้เป็นหลังคามีผืนหญ้าเป็นเตียงนอ น, น ผมมีโอกาสได้ซบกายหลับอย่างเป็นสุขใจไม่ใช่อะไรผมพกเหรียญหลวงปู่ไปด้วยผมจึงมั่นใจไม่พกไปเปล่าผมได้ปฏิบัติตามคำสอนนั้นแต่ก็บอกอธิษฐานกับหลวงปู่ว่า มีอยู่ปีหนึ่ง น, นะเดือนพฤษภาคมครูไม่ใหญ่ตอนนั้น <c oughs> ก็เขาไปลองไปเขา อ, อย่างนี้บังมันเนี่บขึ้นไปทางเหนือนี่ไงโอ้เขาญาติไปนอนในป่าชาตินะ <c oughs> ่นเขาไปนอนนนั้นก <c oughs> ็เจอหลวงตาโ ย, ย่งมาจากกาญจนบุรี หลวงตาก็เลยฟังว่ที่ในปา่าช้านี่นะอีดก้อนตโตๆนี่ชาวบ้านจะเอาไปก่อบ้านพอกลับไปบรรทุกขึ้นจะออกมาคืนเพราะหายใจไม่เคยออก ม, มีบางสิ่งบางอย่างทําให้ต้องออกมาคืนแล้วหลวงตาไม่กลัวอยู่ในป่าช้านี่ <c oughs> ท่านก็พูดสำเนียงมืองการนะว่าไม่กลัวหลวงตามีมีอะไรดีเห <c oughs> รอลายแจ๊กสนใจ <c oughs> บูชาข้าวพระอ๋อ หลวงตาบูชาพระทถอะเหรอครูวิญญาณกันเนื้อกับบูชา้าพระอย่างที่เราบูชากันทุกทิศทุนเดือนทําทําไงหลวงตาทำไงกลับไปบิดาบาตมาแล้วก็อามาแบ่งให้แล้วก็บอกพวกวิญญาณทั้งหลายพวกนี้พูด้ปีศาจทั้งหลายพึงฟังอย่ามาหลอกอย่าหลอกอดทีเดียว ถ้าหลอกแล้วบูชาเขาพระไม่แบ่งให้กินนะนี่เขาบอกเขาบอกว่าจะมาหลอกกันนะถ้าหลอกเป็นอดอละได้ผลไม่หลวงตาได้ผลได้ผลคืออะไรไม่เคยเจอเลยอ๋อหลวงตาเนย้อก็มีคาถาอะไรดีมีการแบ่งปันนะแบ่งแบ่งอาจารลงท่านอธิษฐานว่าไงกับเหรียญหลวงปู่ ให้เจออะไรไม่ต้องเจอนั่นผีหรือโอมอยลุดตุดตุดกูเป็นมนุษย์มึงเป็นพ้าอีอยานะอย่างงั้นหรือเปล่าจ๊ะจำลองอยู่ไม่ใช่อธิษฐานหลวงปู่บอกขอให้ได้ข้าวได้น้ำฉันคือท่านไม่กลัวอยู่แล้ว อธิษฐานนี้ขอให้มีข้าวมีน้ำฉันให้มีคนมาใส่บาตรเถอะเพราะว่ามาใหม่นั้นไม่ได้รู้จักใครในสุดก็ได้ดังใจปรารถนาเดินดรงสิบวาวันก็ถึงถ้ำสำนักเสือดาวเมื่อก้าเข้าไปก็ได้พบนักปฏิบัติธรรมแต่งแต่งตัวคล้ายๆกับหลวงจีนผมยาวผิวเหลืองหน้าตาผ่องใสเมื่อ มีหนดมีคราวผมถามท่านว่าแต่ละวันทำอะไรบ้างท่านก็บอกว่าก็าแค่ยืนเฉยเฉัไม่ทำอะไนั่งหลับตาอยู่เฉยเฉยท่านบอกว่าวันๆก็ทำแค่นี้ เดินยืนนั่งนอน oh. <c oughs> ฉันมีเรื่องที่จะทำก็เท่านี้แหละ oh. ฟังต่อฟังต่อ <Okay. S 1> เดินยืนนั่งนอนฉันฝึกปฏิบัติโดยการเจริญสติปัฏฐานสี hmm. คือกายเวทนาจิตธรรมในทุกอริยบทฝึกความไม่ยึดมั่นถือมัน่น <Okay. S 1> เดินก็ไม่ผูกพันกับสิ่งใดอานะจารย์ ยืนก็ไม่ผูกพันนั่งนอนก็ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของปล่อยวางหมดเลยนี่<ะ>นี่ไหมจ๊ะวันนั้นคราวหนะ้าถ้าครูไม่ใหญ่ถามว่าเดินยืนนั่งนอนเป็นสึกเป็นสุขดีอยู่หรือจะตอบอย่างไรเนี่ยเออ สบายสบายนี่ท่านไม่ยึดบ้านถึงมันนี่แหละคือเคล็ดลับวิชาการปล่อยวางมีจริงนะไม่ทราบตอนนี้ท่านยังอยู่ไหมถ้าอยู่ที่หัวหินอาจารย์ตอนนี้ท่านเป็นสมพานนะมีผู้ไปปฏิบัติธรรมเยอะท่านเคยบอกว่าท่านเป็นนักเรียนนอกจบวิศวะ มากลับมาก็ไปที่เหมืองก็อยากอยู่ๆก็นึกอยากนั่งทําสมาธิเฉยๆก็ไม่เคยเรียนที่ไหนหรอกนั่งใต้ที่ก้อนหินใต้ต้นไม้เนี่ยตอนนั่งตัวลอยวทบศีรษะโคกระไอ้กิ่งอมาเนี่ยหล่นลงมาทันเลยเอ้ยมีจริงนี่เลยบวชไม่สึกเลย อายุท่านอายุพรรษาท่านแก่กว่ารูรไม่ใหญ่มั้งนี่ที่สะโคกมาเลยกิ่งไม้เออแล้วก็หลดลงมากา อ, อืจากนั้นผมก็ทุดดงไปตามจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็กลับมาปฏิบททัติทาในถ้าใหญ่ทวัดเขาบานพฤจังหวัดเลยผมใช้หลักหนึ่งน้อยหนึ่งมากสามไม่ หนึ่งน้อยหนึน่งมากสามไม่คือชั้นน้อยปฏิบัติมากไม่พูดไม่นอนไม่ออกจากถ้ำปฏิบัติธรรมหนึ่งเดือนเต็มก็นั่งเห็นพระในท้องอนึกปเปลี่ยนสีได้ย่อขยายได้ตามใจปรารถนา<อ>นี่เห็นไหมจ๊ะตั้งใจปฏิบัติเต็มที่เลยคืออยู่ตามลำพังปลีกวิเวกอย่างนี้ถ้าได้ไปทาอย่างนี้ได้แล้วก็จะมีความสุข นี่ครูรยูย่ยังนึกถึงวันวานนิวที่หวานอยู่อยาก อ, อยู่ว่างๆอย่างนี้เนะ่ยก่อนสว่างก็เลยจางใจจากแสงงามติดตายเย็นใจตั้งแต่ศีรษะจะลดเท้ามีความสุขอุ่นรักพักใจได้ทั้งวันปฏิบัติไปมากๆผมกับพระเพื่อนจึงหันเริ่มมาใช้ไอทีกันอิทิลิต ทำแสงสว่างคล้ายๆไอหมอกหรือพยับแดกพุ่งออกจากตัวของกันและกันด้วยตาเนื้อนี่แหละ เ, <อ>เหมือนถูกห่อหุ้มเออบาบด้วยแสงสว่างนั้นยิ<อ>่งถ้าใจจลดที่ศูนย์กลางนิ่งแสงก็จะสว่างมากบางครั้งก็แข่งกันว่าแสงของใครจะสว่างกว่ากันอเอออังกฤีพระาจารย์ท่านหนึ่งเหมืออกันนะ่ะที่อยู่ลบบุรีนี่นะ แล้กครูผู้ใหญ่ก็ก็ไปได้ยินกิจสัพท่านว่าท่านเคยเป็นสมณีนอยู่ที่วัดปากน้ำ <No. S 1> แล้วก็ออกเดินทุ ด, ดง <Yeah. S 1> อะไรไปเวลาจะไปเดี๋ยวแม่ก็บอกอย่าไปเลยลูออกไอ่ได้ชีวิตเราเราเป็นนักบวชต้องสละชีวิตต้องไป mm. ออกทุ ด, ดงไปนั่ง ลิมน้ำลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกว่าต้องลืม <Yeah. S 1> น้ำตามันไหลออกมา uh. ลู้นี้อยู่วัดจะก็ดี <laughs> อากานถึงตรงนี้ก่อนถึงนีงนี่ mm. เราข้ามไปนิดนึ <Yeah. S 1> ได้ยินเสียงเลือก mm. นิมนต์ให้ให้ครูผูใหญ่เข้าไป mm. นั่งกุฏิท่าน ก็เข้าไปอ้าวดวงตาท่านมองไม่เห็นนะะกติท่านก็เอียงๆนะก็ถามหลวงพ่อนอนเป็นสุขดีเลยกติเอียงๆอย่างนี้ทีเป็นเอียงอ่ะอ๋อนี่สบายแล้วออกสะดงละบากกว่านี้แหมมีกติเอียงๆมีหลังคามีอะไรพอเพียงพอแล้ว ตาท่านมองไม่เห็นนะท่านบอกวิบากกรร ม, มนั่นแล้วท่านกับเราเรื่องนี้ไปฟังคุยกับท่านคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะคุณปิญญาณชอบไปคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ต่างๆแล้วท่านก็ไล่ฟังนี่ไงออกตู้ดงนี่ไงแล้วก็ร้องไห้ไปนั่งริมสระน้าในป่าริมตา ม, มากันนั้นร้องไห้เอาเอา้าเราจะไปร้องไห้แหะ ไม่หรอีพ่อ DOC ไม่เดี๋ย ว, ยวจะแต่กำลังจะเล่าให้ฟังล้วก็ขยบขยบข ย, บขยบไปูผูใหญ่ยขยบเ ข, ข, ข้าไปเลยนะนี่แล้วไงแล้วไงตอบมันเฉียดแก้มเลย อ, อะไรเลย อ, อะไรเฉียดแก้มงูงูอะไรเฉียดแก้มท่านลองนึกดูมันขึ้นมาจากสะ ผมก็นั่งสมาธิการสมัครด้วยหัวหน้าชั้นตัวใหญ่ขนาดนี้หลังมันเนี่ย ท, ท้องมันติดพื้น<ช>แต่หลังมันเฉียดแก้มผมตัวแค่ไหนล้นจอเลยนี่ยเป้นนจอเลยนี่น้าน้ำตาถึงไหลพิถึงโยมแม่ลูงนี้อยู่วัดเจ้าก็ด้ที่เล่าตรงนี้เพื่อจะมาโยง ให้ถึงว่าครั้งหนึ่งไปนั่งอยู่ในถ้ำกับพระาจารูปหนึ่งวัดปักน้ำด้วยกันทั้งคู่ อ, อเป็นสิทธิ์พระด้พุรลงปูด้วยแหละเป็นนั่งแข่งกันก็ไม่ได้แข่งที่จะเอาชนะกันนะ ค, คือเพื่อฝึกความเพียรเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรนหน่อยๆอย่างเงี้ยมัน ก, มนก็มันก็มีมอารมณ์เป็นปนั่งได้กันคใครจะนั่งนาน ก็ว่าท่านนั่งนานกว่าอีกองหนึ่ง <backbone. S 1> เอกองนั้นอายุพรรษา ม, มากกว่าองนั้นลืมตาขึ้นมาก็เห็นทันทีเลยเห็น<ม> <He ard. S 2> แสงออกจากตัวท่านอ อ, ออกจากทางหน้าผาเนี่ไปไปจรดที่พระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำนั่นเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ ก, กําลังจะเล่านี่นี่เหมือนเงิน เ, ออเหมือนถูคอหุม่มเ อ, อ่ออาบด้วยแสงสว่างนั้น อิสระใจจะอที่สูนกลายหนึแสงนั่นก็จะสว่างมากว่าจะเลิกเร็วเดี๋ยวก็เลิกไม่เร็วอีกแล้ว <c oughs> บางครั้งก็แข่งกันว่าแสงของใครจะสว่างกว่ากันเวลาจะน่านจะทักกันว่าอืมท่านนิบผองใสแล้วนี่อือคําว่าพองใสนั่นไม่ใช่ใบหน้านะแต่ดูประกายแสงที่พุ่งออกมาเออ นับเป็นเครื่องที่แปลกประหลาดพิลิกพิลั่นหน้า ม, มหัศจรรย์ยิงเชียวอยู่ที่นี่ได้สามเดือนอจึงกลับจากเดินตะดงสู่บ้านเกิดจีขอนแก่นแผ่นดินนี้ที่ผมรักในวันที่18พฤศจายน2530ผมปักกรดอยู่กลางป่าชา้าท้ายหมู่บ้านเ <c oughs> พราะว่าที่นี่มีเสน่ห์ ม, มีเนื้อที่เกือบร้อยไร่ แล้วก็รอกลวงลางไปดูต้นไม้ตน้นไม้น้อยใหญ่อหรอบเป็นทุ่งนาผสมผสาสนเสน่ห์บรรยากาศของบ่าช้าอันเงียบสงบร่มเย็นได้อย่างลงตัวจึงตกหลุมรักบรรยากาศที่นี่เพราะตรงนี้คนไม่ค่อยจะมากันส่วนที่มามักจะไม่ใช่คน เพราะนั laugh, people, ้นแปลว่าเมื่อไม่ให่คนเนี่ยก็ไม่คุยคนไม่รู้เรื่องกันนี่เช่นนกมางี้ไงก็ไม่คุยแมวมางี้ไม่ใช่ตัวใหญ่ก็แมวมางี้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมางี้มันวิเวกสงบผมมันเจริญมรณนานุสติฝึกนอนในโลงศพที่ยังไม่ต้องฝึกสักวัน ฝึกนอนในรงศพซึ่งเป็นที่ที่มีสนเสน่ห์และสีสันอีกมุมหนึ่งของชีวิต<อ>แล้วผมเนี่ยฝึกชุดให้ใจหยุดครับบางคืนนอนในบ้านหลังสุดท้ายนี้ฝันฝันว่ามีเงาดำๆมายกผมขึ้นจากโลงแล้วก็โยนไปโยนมาโยนไปโยนมา ผมรู้สึกมันก็ดีเหมือนนึงมันเบาสบายเหมือนนอนอยู่ในเปลที่มีคนแกว่งไปมาปผมปักกรดอยู่หลายวันญาติโยมก็สร้างกระท่อมน้อยให้ผมยังเกิดความคิดขึ้นมาความคิดนี้มันเจิดจ้าในป่าช้าอ่ะสันติสานด้ท่านคิดว่าง ถูกต้องจะทำป่าชาร้างให้เป็นวัดลุ่งห่างจากจวัดผมไปไม่ไกลนักมีวัดอีกแห่งหนึ่งชื่อวัดตาพราขาวซึ่งเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทวีเจ้าของพรา์ชาวบ้านก็ได้เล่าขานในปรวัตศาสตร์เก่าแก่ต่ อ, อมาว่าวัดนี้เคยมีไหม้มันเป็นไหประหลาดใบหนึ่ง เวลาฝนตกน้ํำนองหายใบนี้ ม, มันจะกลิ้งกลับวัดเองเลยเอยเ อ, <c oughs> อนี่อขอพัยข้าไปบมันดหนึ่งเวลาวัดนี่มีหายเวลาฝนตกน้ํำนองหายใบนี้จะกลิ้งไปเล่นน้ําที่ห้วยกุดเก่อ มันไปว่ายน้ำไถ่ว่ายน้ำซึ่งอยู่ไกลถึงสามกิโลเราคิดดูสิมันวิ่งุๆๆๆไปเนี่ยสามโลเนี่ยพออาบน้าเาท่าเล่นน้ำเสร็จแล้วไห่นี่ก็กลิ้งกลับบ้านเอง ฟังต่อพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ว้าวคืนนี้ระคามันชทบจะไปกันใหญ่แล้วหายลงไปเล่นน้ำเเออแต่ไม่บอกว่าใส่ชุดไหนหนิชุดว่ายน้ำปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์โคร่ะเราไปดูได้ใบเนี้ยพื้นที่้างวัดก็แปลกไม่แพ้กันเพราะ ขุดทำสะน้ําลงไปเพียงเล็กน้อยเพราะช่วงที่ดีปั๊บน้ําไหลออกมาตลอดเวลาเลยอเป็นแหล่งน้ําสามารถใช้ดื่มกินได้ตลอดทั้งปี<ม>ทั้งนั้นที่ขุดไปลึกช่วงฤ ด, ดูแรงชาวบ้านขาดแคลนน้ำํำก็นําน้ำเนี่ยไปใช้ตลอดไม่รู้จักหมดชาวบ้านจึงเรียกว่าแอ่งซับน้ำํำนอกจากนี้ยังมีหินศิลาแรงเรียงซ้อนกันจํานวนมากเมื่อผมได้ไปเยือนวัดตาผ้าขาว สายตากับพลันสดุดเข้ากับหินสีดําก้อนหนึ่งสายตาคือมองกําลังจะผ่านแล้วปึ๊กเอามาหยุดที่อสีดํำรูปร่างคล้ายเสือมาผมอยากได้จึงเอ่ยปากขอเลอยลอยดูซ้ายดูขวาไม่มีใครถ้ามีคนก็จะขอจากคนเมื่อไม่มีคนก็ขอเลยลอยว่าเออเออเสร็จ ว่าที่มานี่นะไม่ได้ขโมยนะแล้วก็ไม่ได้ขมายก็ขอหินสีดำนี้นะจะมาไว้ที่ตรงนั้นให้นะเอาโอเคนะเอาโอเคเอาไปเลยมันมีหลักวิชาคือว่าเองเออเองแล้วผมก็นมหินก้อนนี้กลับมาที่วัดใส่ไว้ในพุทธรูปไม่ได้มาเป็นของส่วนตัวเป็นของกลาง ที่ประดิฐานอยู่กลางศาลาไม้มทีนี้มันม ห, มหลังจากนั้นนะมันเกิดปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติหลายอย่างเช่นอากาศร้อนแห้งแรงมากมขนาดแห้งแรงขนดาดนั้นยังฟ้ายังผ่ารอบวัด <c oughs> <c oughs> ทุกด้า น, น, นทั้งสี่ทิศเลย อ, อยู่หลายครั้งขณะอากาศร้อนแห้งแรงเนี่ย อ, อยู่ๆฟ้าก็มีลมผ่าเปียงป่างเปียงป่างมา ซ้ายขวาหน้าหลังสีทิศอีกทัางเวลาผมนั่งสมาธิผมจะเห็นนิมิตเป็นยักษ์ร้างใหญ่สูงท้าลำตาลตาแดงผมหยิกถือกระบองใหญ่อยู่บ่อยๆล่าสุดเห็นนิมิตว่าผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ยักษ์ก็ปรากฏกายขึ้น <Yeah. S 1> เงื้อกระบองสุดแขนสัดซ้ำลงมตที่กลางหลังผมยังไม่มีปลาณีปราัย <Yeah. S 1> ผม ปลิวลอยหนียักษ์ขึ้นฟ้ายักษ์ก็เหาะตามขึ้นมาในนิมิตผมหมดแล้เยอยันที่ยักษ์ไม่อาจจะไล่าตามผมทันได้าจากนั้นเจดวันเหตุการณ์สยองขวัญจนผมไม่อาจจะลืมลืนชั่วชีวิตก็เกิดขึ้นนัศลาม้ายหลังคาย่าอิสาชนสาธุชนราวสามชีวิตรวมโยมแม่ผมด้วยมาปฏิบัติธรรม ฟ้าร้องฟ้าแลบจั่หงน่ากลัวอายุฝนก็ซัดกระหน่ำลงมาราว บ, บ้าคลัง<อ>จนสาราโยกออนเอ็นไปมาเสียงผี่ผู้คนก็อึ้งอ่อนโมกเวกสาธาชนั้งพัดพากันวิ่งหนีออกจากสาราเลยมุมงหน้าไปยังหอฉันซึ่งเป็นเสา ป, ปูนหลังคาเคราไม้มุงกระเบื้องแต่ยังสร้างไม่เสร็จรผมกับพระเพื่อนก็ตะโกนห้ามสุดเสียงว่า อย่าไปหอฉันยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็ไม่มีใครฟังเพราะคิดว่าหอฉันน่าจะแข็งแรงกว่าผมจึงวิ่งตามไปบอกให้ทุกคนกลับมาตอนนั้นเองพายุใหญ่ก็ได้พัดกระ น, นำหอฉันทั้งหลังกับพังโคลงลงมาทับคนกว่าสามสิบชีวิต<อ>ส่วนผมหลบออกมาได้อย่างบวุดวิดเจ้พริบตาเดียวกันณนที่สาลามาย พ้าก็ได้พาเปลี่ยงลงมาเปลี่ยงใหญ่ลมแรงกล้าะะพัปะทะปัตพัทปัะพระพุทธรูปจนท่านเอ็นไปสีห้าองศาพิงกับโครงไม้ไผ่ด้านหลังแผ่นหินศิลาแรงอาถรรพ์ในพุทธรูปก็ได้หลุดร่วงออกมาแล้วก็สาลาไม้พังครืนแต่ลังคาที่เป็นหญ้าไม่เกิดความเสียหายใดๆเลยเออแต่ที่มีพุทธรูปแล้วก็มีศิลานั้นเกิดเหตุทั้งๆที่แข็งแรงกว่า หลังจะนั้นพายุก็สงบลงบอืออืออันี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะตาภาพกลับไปที่หอฉันอมผมกับพระเพื่อนก็นได้รีบเข้าไปช่วยคนเจ็ บ, บซึ่งส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อยหัวแตกนิดหน่อยจนไปพบภาพสุดอเนจอนาจใจา ย, ยิ่งนักโยมคนหนึ่งถูกเสาหอฉันล้มลงทับกลางหลังซึ่งเปมนใจใครอื่นโยมแม่ผมเองอผมกับพระเพื่อนรีบประจุแร่างโยมแม่ไปนอนในรถ ลากน้ำช่วยกันลากดึงเป็นโลมือยาบาลถนนดินบนทรายเมื่อเจอฝนก็เจอแฉะลากรราลำบากนักลำบากมา ก, กค่อยๆก็ดืบคืบคลานทีละนิดอะยะทางแก้สังกิโลเมตรแต่ยามนั้นเหมือนไปรอเป็นพันกิโล oh. แตอดทางผมได้เทศโปรดโยแม่นึกถึงบุญนึกว่าเป็นวิบากกรรมความตายเป็นเรื่องธรรมดาโยแม่มีสติรับรู้สิ่งที่ผมได้เทศโปรด oh. ใบหน้าท่าน ทงใสมีรายยิ้มอิ่มเอิบไม่แสดงอาการเจ็บปวดอะไรเลยโยมแม่มีเลือดตกในเสียงดังตึกตึกตึ๊กกับเสียงใจของโยมแม่ยังคงดังให้ได้ยินแต่แต่ว่าเสียงนั้นดูจะค่อยๆเบาลงทุกทีทั้งตอนที่ผมเอานายเสียงหัวใจดวงนี้ดังกลางวานต่อไปบางวิญญาณยิ่ง่าปฏิหารจะได้เกิดกับโยมแม่แต่ทว่ารักษาตัวจะได้สามวันแท้ก็ได้อัมลาโลกนี้ไปด้วยอาการสงบ นับว่าเป็นคลื่นหลมความสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักภาพเสาหอฉันที่ล้มทับกลางหลังโยมแม่ ท, ทั้งทิศทางและตำแหน่งช่างเหมือนกับภาพกระบองที่ยักหวดเข้ากลางหลังผมในนิมิตไม่ผิดแม้องศาเดียวผมจึงเซ็นสัญญาสงบศึกกยักษ์โจยการรีบนำหินนั้นไปคืนที่เดิมคิดว่าต่อจากนี้ไปจะไม่เป็นดังเช่นวันวา น, วานไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุร้ายใดๆ มีเรื่องราวการคนพบชวนพิศวของพระพุทธอีกรูปหนึ่งที่เป็นเจ้าวาดวัดกระไรเคียงในหมู่บ้านบวชมาได้สิบ้าพรรษาแล้วคืนวั 9, นที่18สิงหาคม2องพ่เก้ท่านฝันเหนคนมาบอกว่าเป็ตอนตะเกียนอยากขึ้นจากลําห้วยขุดเครืองที่อยู่ท้ายวัดที่ไหประหลาดเคยกลิ้งมาเล่นนะรตอนน้ำในห้วยทรงกลิ่นไม่ดีเหม็นกี่หมูหกวันต่อมาท่านยังใช้รถแม็กโครขุดค้นหาในลําห้วย เรกว่า พ, พบต้นตะเคียนทั้งสามต้นเหมือนในฝันเลย oh. ขนาดใยไล่เรียกกันต้นใหญ่สุดฐานกว้าง 4.9 เมตรยาว 5.65 เมตรที่แปลกมากคือเมื่อถ่ายภาพมันจะเห็นเป็นรูปคนต้นแรกเป็นรูปหญิงสาวอายุราวสิบเก้าปี oh. ต้นใหญ่สุดเป็นรูปชายสูงอายุชาวบ้านเรียกว่าปู่ย่าและลูก oh. ภาพทาที่ราดจะมีรูปร่างคล้ายหน้าคน ถ่ายภาพมาก็เห็นผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กอีกภาพหนึ่งใบหน้าคล้ายผีกำลังสูบบุหรี่ตัวมาทั้งสามก็ให้โชคลาภด้วยอ่านาคเวดชาวบ้านที่นับถือเคยนำแป้งฝุ่นไปรูปทาตามลำต้นหาตัวเลขเราก็ถูกหวยเป็นหมื่นแต่ผิดเป็นแสนมึงส่วนคนที่มีเชื่อแล้วลบลูก็จะมีเหตุเพศภัยต่างๆเช่น เด็กนมคนหนึ่งพูดด้วยความขนองปากว่าเอาไปเผาฐานของดีเนาะหลังจากที่พูดก็ขี่มอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุรถคว่มปากเจอ <c oughs> ไม่เชื่ออย่าลบลูค <c oughs> คำถามเหตุใดเหรียลวงปูจ่จึงบรรดานข้าวนายผมได้สมปรารถนาตลาดจงจะดลบถมสำนักตุเจ้าเสดาเพราะที่ท่านอยู่ในถมสำนักตุเจ้าสดาภ า, า, า, า, าวนาในการเจริญสติปัฏฐานสี ที่สุดถึการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีนี้ของท่านจะได้พบตัว ต, วตนแท้ทจริงภายในคือพระธรรมกายหรือไม่ทน mm hmm. มีความคิดอย่างไรจรึงมาบําเพ็ญเพียรอยู่ในถ้าแห่งนี้เหตุใ <Okay. S 1> hey, ดเมื่อผมจะลุดใจที่กลางกายจึงเกิดแสงสว่างพุ่งออกมาจากตัวได้เหตุใ mm hmm. hey, ดคนทั่วไปที่ปฏิบัติเช่นนี้จึงไม่มีแสงพุ่งออกมาบ้าง mm hmm. และก็เวลา น, านอนในโรงศพเงาดำที่มา ย, ยก mm hmm. ผมโยนไป mm hmm. มาคืออะไร เรื่องที่ชาวบ้านเราเห็นไห้กลิ้งเรามาเล่นน้ำในห้วยและแองซับน้าที่มีน้ำไหลออกมาตลอดเวลามีจริงหรือไม่ถ้าจริงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสถานที่ที่ผมไปเอาเหินศิลาสีดำมามียักษ์ดูแลโบราณวัตถุอยู่จริงหรือไม่มีพันธรักไหมถ้ามีจริง เขาตามมาถวงหินศิลาแรงคืนใช่หรือไม่การที่ผมไม่นำของรักของห่วงยักษ์มาถือว่าผิดศีลข้อสองหรือไม่โบราณวัตถุเหล่านั้นเกิดขึ้นในสมัยใดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรยักษ์เป็นผู้ทำให้สาวลมทับร่างโยมแม่ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยักษ์จะต้องได้รับผลกรรมหรือไม่อย่างไร สาวที่ล้มทับโยโมแม่เกี่ยวข้องอากาศนิมิตกระบองยักษ์ที่ตีกลางหลังผ ม, มกรรมในทาโยโมแม่้องมาตายในสภาพเช่นนี้ถ้าผมไม่ไปหยิบหินศิลามาจะช่วยโยโมแม่รอดตายหรือไม่มโยโมแม่ก่อนเสียชีวิตมีกตินี้ไม่เป็นอย่างไรตายแล้วไปอยู่พบภูมิใดต้นไม้สามต้นในลำห้วยกุดก้องเป็นต้นตะเคียนใช่หรือไม่ ม, มีสิ่งเร้นลับอะไรที่อยู่ในต้นไม้ ทำไมจะไปเข้าฝันพระเพื่อน<ะ>และใครละไปเข้าฝั น, นแล้วภาพทีถามาเป็นปู่ญ้าลูกนั่นสามคนน่ะจริงหรือไม่<อ>แล้วทําไมตัวเลขออกมาจากต้นไม้ได้แล้วพอไปลบลู ก, ก็เกิดเพศภัยโยมพ่อเคยบวชอยู่ห้าราษามันปลายชีวิตท่านล้มป่วยในโรกมาเร่งทางเดินน้ําดีจนเสียชีวิตกรรมใดทำให้โยมพ่อเสียชีวิตด้วยอรมมาเร็งทางเดินน้ําดีท่านมีคตินิมิตเป็นอย่างไร ตายแล้วไปไหนเหตุใดผมชอบปลีกวิเวกชอบเดินตัวดงชอบอยู่ตามป่าชา้านั่งในถ้านอนในโลงศพสร้างวัดที่ป่าชา้าอล้วทำไมผมยังไม่ได้สร้างบารมีร่วงกระหมูขนะะแต่พอจะริบไปที่ไหนกลับเจอแต่กระลาลมิดวัดพระธรรมกายบ่อยๆหาง่ายกว่ายุงสก พุนอนนท์ทีล้วผมชอบหลีวิเวกแบบชาตินี้หรือไม่ผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรมีผังการบวชหนาแ น, น่นหรือไม่ครับและเหตุร่าต้นที่ทำให้บางคนชอบสร้างบารมีคนเดียวหรือบางคนชอบสร้างบารมีเป็นหมู่คณะคืออะไรจำเรื่องราวและคำถามได้ัหมจ๊ะ ยามได้ครับลับตาฝามเนตุเป็นตาตึงข้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ความเมตญาป ร, รมลากันเจ้าตลอดช่วนที่เราได้เดินทางและตรงไป ท, ทีทำสำนักตุจ้าเสดาวได้มีอาหารบริบูรณ์ตลอดทางนั้นกับพระใจที่ผูกพันกับประเด็บพระคุลงูทำให้บารมีธรรมท่านมารวมกับทางบารมีของเรา ที่เคยทําไว้นํามาส่งผลเจ้าของเราส่วนหนึ่งของท่านส่วนหนึ่งมารวมกันผู้บําเพ็ญเพียรที่ทำสํานักทุเจ้าสดดาวเอานาในการเจริญสติปฐานสี่นั้นถ้าเอาใจมาตั้งวัตถิฐานที่เจ็ดก็จะเจอพระธรรมกายเมื่อใจหยุดนิ่งเจ้าแต่ถ้าไม่นำสติมาตั้งวัตถิศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและไม่หยุดนิ่งสนิทก็ไม่เจอเจ้า ท่านาเพ็ญเพียรในถรำแห่งนี้ก็เพราะเป็นสถานที่พิเวกเหมาะตการบําเพ็ญภาวานาและท่านต่างการบรรลุธรรมด้วยจ้จ mm hmm. ตอนที่ลูกบอกว่าเมื่อจะลดใจไว้กลางกายและเกิดมีแสงสว่างพุ่งออกมากจากตัวได้นั้น mm hmm. ก็พร่ำลูกและพระเพื่อนต่างก็มีใจละเอียดก็ไล่เคียงกันเมื mm ่ hmm. อติฐานจิตอธิฐานฤทธิก็เกิดขึ้นได้ แต่จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อใจละเอียดใกล้เคียงกันดังกล่า oh. ถ้าใจไม่ละเอียดใกล้เคียงกัน oh. ก็ไม่อาจจะเห็นกันได้จ้ะ oh. เวลานอนในลองศพอบอุ่นเหมือนมีเงาดามายกตัวโยนไปมานั้น oh. ก็เป็นเพราะอากาศในลงศพมันมีน้อย oh. จึงทําให้ธาตุวิปลิสให้รู้สึกเป็นเช่นนั้นจ้ะแต่ความจริงไม่มีใครมาจับยกโยกไปมาตอนนี้ก็ให้รูปทดลองประมองไว้ก่อนสักวันหนึ่งจะได้ใช้จริงจ้ะพอดีเหมื่อกันเป็นการเจริญมรณ า, านัสติเหมาะสําหรับคนที่คิดถึงความตายไม่ค่อจะออกจ้ะรหรืออยู่ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรดีก็ให้ไปทําอย่างนั้น จะได้มีสติดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทจ้านี่ตามที่ชาวบ้านได้ไลฟ์ฟังว่าเห็นไห้กลิ่งมาเล่นาน้าในห้วยและแอ่งซับน้ำที่เป็นน้าไหลามาตลอดเวลานั้นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าลือต่อกันมาเป็นตำนาน <c oughs> ตามไปนานๆก็เหนียวเขา้า <c oughs> อย่าเป็นจริงเอาจังเลยจ้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรดับทุกข์ก็ไม่ได้ แถมจะปนความหลงไม่ได้จ้าสถานที่ที่ลูกไปเอาหินศิลาสีดำมานั้นก็มีมมยักษ์เฝ้าโบราณวัตถุอยู่จริงซึ่งแต่เดินเค้าเปวิหารทาพิธีบวงสวงของพวกพรามจ้าเขามาตามเอาหินศิลาสีดำคืนจริ ง, จ, รงจัจ้าการที่ลูกไปนำหินศิลาสีดำมาก็ไม่ได้ถือว่าผิดสิ่ข้อที่สอง เขคิดว่าเป็นหินที่อยู่ตามธรรมชาติใช่ครัและก็ไม่รู้ว่ามีใครเขาห่วงคิดว่าเขาไม่มีใครเขาห่วงเอาไว้จ้ะงั้นเขาจะทิ้งไว้ตรงนี้ทําไมคบอบเราว่าตัวนั้นเกิดในยุคในสมัยวัฒนธรรมขอมที่นับถือศาสนาพราหมณ์ได้แผ่อิทธิพลมาถึงตรงนี้จ้ะที่สาวล้มทับโยมแม่นั้นก็เกิดจากภัยธรรมชาติที่มาประจุเหมา ก, ก, กับกรรมของแม่และอยู่ในช่วงที่ยากต้องการของคืนด้วยกรรมเอ่ย ธรรมภัยธรรมชาติเอยยักษ์<า>เอย3 <า>สามอย่างมา<อ>ทรีอินวันทำให้ตัวลูกมาเชื่อมเข้าเป็นเหตุการณ์เดียวกั น, นมาคงเกิดจากยักษ์กำมัง ไ, <อ>ไม่เกี่ยวกันนิมิตีตัวลูกเขียนไว้ยักษ์เอากระ บ, บองมาตีกลางหลังแต่ว่าบาังเอิญมาพร้อมกันพอดีกันนิมิตของตัวลูกจะยอมแม่ตั้งมาตายในสภาพที่นี้นั้นพระ กำเนดดีชาติหนึ่งท่านอยู่ในหมู่บ้านที่มีงูชุกชุมมากจึง<อ> ท, ทำให้ท่านเอาไม้ไปตีงูจ<อ>นมันหลังหักและจึงตีมันจนตาย<อ>ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะมารวมส่งบุญใะ<อ>แม้ตัวลูกจะไม่หยิบหินศิลาสีดำมาจมแม่ก็ต้องตายโดยวิบากกรรมนังล่าวอยู่แล้ว<อ>จ้ะพอดีมาพา้องกันตายแล้วด้วยตินิมิตใยสว่าง ในหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามในบุนที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาไปเป็นเทพธิดาสุดสวยใช่สาธุต้นไม้สามต้นในห้วยกุดเกลืก็เป็นต้นตะเคียนรจริงๆที่มีเทวดาสายคนทันสิงอยู่จ้ะ<อ>เขาอยากจะย้ายสถานที่อยู่จากลำห้วยขึ้นมาบนบกบจึงไปเข้าฝันพระเพื่อนเขาคิดว่าพระเพื่อนเนี่ยคงจะช่วยได้ช่ ภาพที่ถายออกมาก็เป็นกายเอียดของคนทันทิสิงยูนในซากต้นตะเคียนนี้เป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันตัวเลขที่เอามาจากต้นตะเคียนนั้นก็เป็นเรื่องความหลงของพวกคลั่งหวยที่เห็นกันไปอย่างนั้นซึ่งบางคนที่มีบุญแบบลาบลอยอยู่บ้านก็ถูกเพราะตาลายเห็นไปอย่างนั้นบ้าง ตีแรกไปเองบ้านแต่ก็ไม่ย่าจะถูกทุกครั้งแล้วก็ทุกคนถูกครั้งเดียวพูดหลายครั้งแล้วทีรอบรูนแล้วเกิดเหตุเพศผัยกับ เ, เรื่องของปากเสียเออเรื่องเป็นวจีกรรมรที่มาพอเงินพอดีก็เลยเชื่อมโยงกันนั่งนั่ในคนทันในต้นไม้ ก, ก็ไม่ได้ทําอะไรจ้ะพ่อแม่ลูกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไร ให้ตัวลูกแนะนำพระเพื่อนในอันเชิญตอนตะเคียนนี้<ม>เอาไปไว้ในป่าไหนก็ได้แล้วไกลๆผู้คนหน่อย<ม>จะได้ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความหลงงมงอไอเอาไปไกลๆโยมม่อเคยบวชจะห้ามัาห์น้ำบรราชีวิตป่วยดีอรมมะเร็งทางเดินน้ำดีจนเสียชีวิตพระกาแนดีได้ฆ่าสัตว์มหาร<ม>และเป็นคนที่เก็บความโกรธ<ม>ความแค้นไว้ในใจ ทำให้ใจหงดกิจมา ร, รวมสงพลจ้ะ mm hmm. เพราะนั้นเก็บความโกรธไว้ทำไม mm hmm. แต่แล้วก็เป็นอากาศสเทวามีวิมานตองขนาดปานกลาง mm hmm. ในบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาในทุกบุญจ้ะ mm hmm. ที่ลูกชอบปลีกพิเวกชอบเดินตดงชอบอยู่ในป่าชา mm hmm. นั่งในถรมนอนในโรงศพสร้างวัดที่ป่าชาเพราะ mm hmm. เป็นอัธยาศัยข้ามชาติมาตอนเป็นนักบวช ชอบเดินตะงและปลีกฟีเวกอย่างนี้มาหลายชาติแล้วเจ้าเพราะมันเป็นอิสระดีทําแล้วสบายใจไม่ได้สร้างบารมีรมขโมกคณะแต่จ่าเด้กไปที่ใดก็เจอรกระเลมิดวัดพระธรรมกายบ่อยๆเพราะเคยสร้างบารมีกโมกคณะมาทิาา้งท้ายมีสายบุญกโมกคณะตอนไปเจอกละเลมิรวัดพระธรรมกายบ่อยๆแต่ว่าทยาสายชอบปลีกฟีเวก ชอบความเป็นอิสระก็เลยไม่ได้อยู่กับโมกขณะที่ต้องทํางานเป็นทีมจ้ะพุทธนานทีผ่านมาตัวรูปเป็นกุลบุต ร, รได้มาทําบุญกับโมกขณะแล้วก็เกิดกุศลศรัทธาได้มาบวชอยู่กับโมกขนะในช่วงที่หมกขณะมีพระเนรในอารามมากจึงทําให้อยากอยู่วิเวกไม่อยากคุกคลีที่หมูนะ่ขณะจึงได้ออกเดินธุดงค์เหมือนปัจจุบันนี้แหละจ้ะ มีผลการปฏิบัติธรรมได้เก่าถึงองค์พระเสใส่ประคองตัวกับดุสิตบุรีวงมุนพิเศษได้ด้วยโอ้สาธุมีพังการบวชหนานแน่นตลอดชีวิตมีสายบุญกับหมูนะ่คณะแม้ว่าชาตินี้จะไม่ได้อยู่กับหมู่คณะก็ตามก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็อย่าขาดการสร้างบุญกหมูนะ่คณะจะได้มีสายบุญที่จะเชื่อมถึงกันและกลับดุสิตบุรีวงมุนวิเศษเขตไหนได้จ้ะ ที่บางคนชอบชอบสร้างบารมีคนเดียวเพราะอยากเข้านิพพานไวๆไม่อยากคุกคลี ก, กับหมู่คณะหรือบางทีก็กระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะเป็นต้นจ้ะก็เลยปลีกวิเวกอย่างนี้นูกกำลังหัวขาควครูไม่ใหญ่หามันหลายวันแล้วยังไม่เจอเลยสามวันแต่เดิมมันมีอยู่ 6กตัวนะมันปลีกเวเวไปตัวกัไปอยู่ที่กุฎใหญ่ไปเจอกันเอาอยัางจำได้ป่ะเอ้าหลอนท้ไมไปอยู่ตรงนี้ <c oughs> ปลีกเวเวก็เหลือห้าก็ <c oughs> ค่อยๆคลายความผูกพันอย่างตัวนั้นแต่ก็คิดถึงมันเหมือนกันนะเพราะมันมาให้คิดถึงเรื่อยๆเว <c oughs> ่าจะฆ่าตัวเนี่ยเอออยู่มาสองสามวันเนี่ยเลือ4สี่ นี่เคยเจอช่วยบอกหน่อยก็แล้วกันเอาครูวใหญ่คิดถึงฝากไปบอกด้วยฝากบอกนกกาําลังหงวขาวว่าคิดถึงนะเลยอยู่สี่เออสุธิสรเป็นทีก็เพราะเป็นคนมีมหาเมตตากรุณาใจกว้างปรารถนาใหญ่ที่จะพาคนอื่นๆไปด้วย และเป็นคนอดทนต่อการกระตับกระทั่งกันแม้ว่าจะไปถึงเป้าหมายช้าก็ตามแต่ก็ป ร, ระคับประคองกันไปเป็นทีมชาตที่มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบริวาเต็มที่ในทุกบุญรากติสานจิตตามติบไดูสิบรีวงบนวิเศษเขตลมอภูริษัทจะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี้ก็เป็นเรื่องราวงคสั ด, ดี้สั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้